270รวมเรื่องที่มีในจำปะยะขันธกะจำปะยะขันธกะมี36เรื่องคือเรื่องพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กรุงจำปาเรื่องพระกัสปโคดในวาสพะพคามขวนขวายในสิ่งที่พึงปรารถนาเพื่อภิกษุอาคันตุกะครั้นท่านทราบว่าพวกภิกษุอาคันตุกะ ชำนาญทางโครจรดีแล้วจึงเลิกขวนขวายในเวลานั้นแต่ถูกภิกษุอาคันตุกะลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำจึงไปเฝ้าพระชินัเจ้าเรื่องภิกษุชาวกรุงจำปาทำกรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมทำกรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรม แบ่งพวกโดยทมปฏิรูปพร้อมเพรียงกันโดยทมปฏิรูปพิกษุรูปเดียวลงอุเคปนิยกรรมภิกษุรูปเดียวบ้างพิกษุรูปเดียวลงอุเขปนิยกรรมพิษุสองรูปบ้างพิกษุรูปเดียวลงอุเคปนิยกรรมพิษุหลายรูปบ้างพิกษุรูปเดียวลงอุเคปนิยกรรมสงบ้างภิษุสองรูป ลงอุกเขปนิยก pues it. รรมภิกษุร <Dragon> ูปเดียวบ้างภิกษุสองรูปลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุสองรูปบ้างภิกษุสองรูปลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุหลายรูปบ้างภิกษุสองรูปลงอุกเขปนิยกรรมสองบ้างภิกษุหลายรูปลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุรูปเดียวบ้างภิกษุหลายรูป ลงอุกเคปนิยกรรมภิกษุสองรูปบ้างภกรริกษุหลายรูปลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุหลายรูปบ้างภิกษุหลายรูปลงอุกเขปนิยกรรมสงบ้างสงลงอุกเขปนิยกรรมสงบ้างเรื่องพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับแล้วตรัสห้ามเพราะไม่ชอบธรรมเรื่องกรรมที่ยติวิบัติ อนุสาวนาสมบูรณ์วิบัติโดยอนุสาวนาสมบูรณ์ด้วยยติวิบัติทั้งสองอย่างรมกรรมผิดธรรมวิไนผิดสัตตุศาสตร์ทำกรรมที่ถูกคัดค้านกรรมที่กำเริบไม่ควรแก่ฐานะเรื่องแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมพร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบธรรมแบ่งพวกโดยทำปฏิรู พร้อมเพรียงกันโดยธรรมปฏิรูปพระตถาคตทรงอนุญาตกรรมที่พร้อมเพรียงกันโดยธรรมเท่านั้นเรื่องสงฆ่าประเภทคือสงฆ์จตุวะสงฆ์ปัญจวัคสงฆ์ทศวัคสงฆ์วีสติวัคค์และสงฆ์อติเรกวีสติวัคค์เรื่องยกเว้นอุปสมบทกรรมปวรณากรรม และอัภานกรรมนอกนั้นสงจตุวักทำได้เรื่องยกเว้นกรรมสองอย่างคืออุปสมบทกรรมในมัชชิมประเทศและอัภานกรรมนอกนั้นสงปัญจวักทำได้ทั้งสิน้นเรื่องยกเว้นอัภานกรรมอย่างเดียวนอกนั้นสงทศวักทำได้ เรื่องสงวีสติวัคธรรมกรรมได้ทุกอย่างเรื่องสรุปคน24จำพวกคือภิกษุณีสิกขานาสามเณรสามเณรีภิกษุผู้บอกลาสิกขาผู้ต้องอันติมะวัตถุผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติเพราะไม่ทำคืนอาบัติเพราะไม่สลักทิฏฐิบาป บันดอกคนลักปะเภทภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถีสัตว์เดียรฉานคนผู้ฆ่ามารดาคนผู้ฆ่าบิดาคนฆ่าพระอรหันต์คนปทุสร้ายภิกษุณีคนทำลายสงคนทำร้ า, ายพระศาสดาจนถึงห่อพระโลหิตอุพโตพยัญชนกภิกษุผู้เป็นนานาสังวาส ภิกษุผู้อยู่ในนานาสีมาภิกษุผู้อยู่ในอากาศด้วยฤทธิ์สงฆ์ทำกรรมแก่ภิกษุใดมีภิกษุนั้นครบจํานวนสงฆ์พอดีรวม24จําพวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามไว้เพราะคนพวกนั้นเป็นคณะปุรกะไม่ได้เรื่อง สงมีภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นที่สให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดหรืออภารเป็นกรรมที่ใช้ไม่ได้และไม่ควรทำเรื่องสงมีผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมเป็นที่สี่สงมีภิกษุผู้ควรมานัดเป็นที่สี่สงมีภิกษุผู้ประพฤติมานัดเป็นที่สี่สง มีภิกษุผู้ควรอภิพานเป็นที่สสงฆ์ห้าประเภทนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศว่าทำสังฆกรรมให้ไม่ได้เรื่องคน27จำพวกคือภิกษุณีสิกขานาสามเณรสามเณรีภิกษุผู้บอกลาสิกขาผู้ต้องอันติมะวัตถุ วิกลเจริตมีจิตฟุ้งซ่านกระสับกระสายพระเวทนาถูกลงอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติเพราะไม่ทำคืนอาบัติเพราะไม่สละทิฏฐิบาปบันดอกคนลกกระเภทภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถ์ถิสัตดีรฉานคนผู้ฆ่ามารดาคนผู้ฆ่าบีดาคนผู้ฆ่าพระอรหรันต คนประทุษร้ายภิกษุณีคนผู้ทำลายสง์คนทำร้ายพระศาสดาจนถึงห่อพระโลหิตอุพะโตพยัญชนกภิกษุผู้อยู่ในนานาสังวาสภิกษุผู้อยู่ในานานาสีมาภิกษุผู้อยู่ในอากาศด้วยฤทธิ์และภิกษุผู้ถูกสง์ทำกรรม27จ็ดจำพวกนี้ค้านไม่ขึ้นเรื่อง คำคัดค้านของภิกษุปกตศตะฟังขึ้นเรื่องบุคคลที่ถูกขับออกไปดีและบุคคลที่ถูกขับออกไปไม่ดีเรื่องคนสิอ็ดจำพวกคือบันดอกคนละกะเภทภิกษุผู้เข้ารีดเดียรถ์ถีสัตว์เดียร์ฉานคนผู้ฆ่ามารดาคนผู้ฆ่าบีดาคนผู้ฆ่าพระอรหรัน คนประทุทศส้ายภิกษุณีคนผู้ทำลายสงคนทำร้ายพระาศาสดาจนถึงห่อพระโลหิตอุพโตพยัญชนกคนส1อ็จำพวกนี้ไม่ควรรับเข้าหมู่เรื่องคน32จำพวกคือคนมือด้วนเท้าด้วนทั้งมือทั้งเท้าด้วนคนหูวิ่นคนจมูกแหว่ง คนทั้งหูวิ่นทั้งจมูกแหว่งคนนิ้วมือนิ้วเท้าขาดคนมีง่ามมือง่ามเท้าขาดคนเอ็นขาดคนมือเป็นแผ่นคนค่อมคนเตี้ยคนคอพอกคนถูกสักหมายโทษมีรอยเคี้ยนด้วยหวายคนมีหมายจับคนเท้าปุกคนมีโรคเรื้อรังคนมีรูปร่างไม่สมประกอบ คนตาบอดข้างเดียวคนง่อยคนกระจอะคนเป็นโรคอมพาสคนเคลื่อนไหวเองไม่ได้คนชราทุพลภาพคนตาบอดทั้งสองข้างคนใบ้คนหูหนวกคนทั้งบอดทั้งใบ้คนทั้งบอดทั้งหนวกคนทั้งใบ้ทั้งหนวกคนทั้งบอดทั้งใบ้ทั้งหนวกสาสิสองจำพวกนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศว่ารับเข้าหมู่ได้เรื่องการลงอุกเคปนิยกรรมภิกษุผู้ไม่เห็นว่าเป็นอาบัติการลงอุเขปนิยกรรมภิกษุผู้ไม่ทําคืนอาบัติการลงอุกเคปนิยกรรมภิกษุไม่สละทิฏฐิบาปเจ็ดกรณีเป็นกรรมไม่ชอบธรรมเรื่อง การลงอุเขปนิยกรรมภิกษุที่ต้องอาบัตไม่ชอบธทมอีกเจกรณีเรื่องการลงอุเขปนิยกรรมภิกษุที่ชอบทำเจ็กรณีเรื่องกรรมที่ควรทําต่อหน้ากลับทําลับหลังกรรมที่ควรทําโดยการสอบถามกลับไม่ซักถามกรรมที่ควรทําตามปฏิญญากลับทําโดยไม่ปฏิญญา ให้อมุ ร, ระหาวิไนแก่ภิกษุผู้ควรสติวิไนทำตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภ er ิกษุผู <ique> <agen> ้ควรอมุระหาวิไนลงตัดนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดนียกรรมลงปับพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม ลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปบพาชนิยกรรมลงอุเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรมให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรอุเขปนิยกรรมชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมอัพานภิกษุผู้ควรมานัด ให้ภิกษุผู้ควรอภิพาณให้อุปสมบทกุลบุตรทำกรรมอย่างหนึ่งแก่ภิกษุผู้ควรกรรมอย่างหนึ่งรวม16กรณีเป็นกรรมที่ไม่ชอบด้วยธรรมไม่ชอบด้วยวินยัยเรื่องทำกรรมนั้นๆแก่ภิกษุผู้ควรแก่กรรมนั้นๆรวม16กกรณีเป็นกรรมที่ชอบด้วยธรรมชอบด้วยวินยัย เรื่องทำกรรมแต่ละอย่างไม่ชอบด้วยธรรมไม่ชอบด้วยวินัย 16. กรณีสองหมวดเรื่องทำกรรมที่ชอบด้วยธรรมชอบด้วยวินัย 16. กรณีสองหมวดเรื่องหมุนเวียนกรรมมีกรรมแต่ละข้อเป็นมูลพระชินเจ้าตรัสว่าไม่ชอบด้วยธรรมเรื่องสงแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรม ลงตัดชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ก่อความบาดหมางเรื่องภิกษุในอาวาสอื่นพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงตัดชนิยกรรมและภิกษุในอาวาสอื่นแบ่งพวกโดยชอบธรรมก็มีแบ่งพวกโดยทมปฏิรูปก็มีพร้อมเพรียงกันโดยทมปฏิรูปก็มีลงตัดชนิยกรรมเรื่อง พร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบธรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรมแบ่งพวกโดยทำปฏิรูปและพร้อมเพียงกันโดยทำปฏิรูปนักปราดผู้มีปัญญาพึงจัดแต่ละข้อเป็นมูลหมุนเวียนเรื่องสงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้โง่เขลาไม่ฉลาด เรื่องสงลงปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลเรื่องสงทำปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ด่าบริภาษะฤหัสเรื่องพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำหมู่ตรัสอุบเขปนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ไม่เห็นอาบัติไม่ทำคืนอาบัติและไม่สละทิฏฐิบาเรื่อง การระงับตัดชนิยกรรมเป็นต้นแก่ภิกษุผู้กลับตัวได้ภิกษุผู้มีปัญญาพึงลงตัดชนิยกรรมให้ถูกต้องตามวินยัยภิกษุผู้ประพฤติเรียบร้อยอนุวัตตามระเบียบวินัยเหล่านั้นขอระงับกรรมเหล่านั้นตามวินัยแห่งกรรมที่กล่าวไว้ก่อนเรื่องในกรรมนั้นๆสงผู้อยู่ในที่ประชุมคัดค้านว่า กรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมทำไม่ถูกต้องทำใหม่และเมื่อกรรมระงับภิกษุเหล่านั้นเป็นธรรมวาทีพระมหามุนีทรงเห็นภิกษุพวกเข้ากรรมได้รับความลำบากโดยกรรมวิบัติจึงทรงชี้วิธีระงับไว้ดุจนายแพทย์ผู้ชำนาญได้บอกตัวยาไว้ฉะนนั้นจำปยขันธกะ chợ.